ถวายอภิวาทแล้วได้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความกเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุด ที่มีสุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทาทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับอย่างนี้ว่าทาทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งทาทั้งปวง ครั้นรู้ยิ่งทำทั้งปวงย่อมกำหนดรู้ทำทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ทำทั้งปวงแล้วเธอเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึง่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความพลัดทิ้งเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลับทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมัน่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดวันเมื่อไม่สะดุ้งหวาดวันย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว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 เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพทรงชื่นชมยินดีพระพาสิทธของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองพระมหาโมคคลานะทดสอบเท้าสักกะ 391สมัยนั้นท่านพระมหาโมคคลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าเท้าสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทั้งที่ดีเราควรรู้เรื่องราวที่เท้าส ก, กะจอมเทพทรงทราบเนื้อความแห่งพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคแล้ว ยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีจากนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้อันตรธานจากประสาสของมิคาลมาตาในบุพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพกำลังเอิบอิ่มพร้อมพร่างบำเรออยู่ด้วย ทิพยดลีห้าร้อยชนิดในสวนดอกบุญทริกล้วนเท้าเธอทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคลานะมาแตกไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยตลีทั้งห้าร้อยชนิดไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคลานะแล้วตรัสว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคลานะผู้นี้ระทุก ขอต้อนรับ น, น, นานนท่านจะมีเวลาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอัศนะที่ปูลาดไว้เถิดท่านพระมหาโมคลานะนั่งบนอัศนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนเท้าส ก, กะจอมเทพได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคลานะจึงทูลถามเท้าส ก, กะจอมเทพว่า ท้าโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมาภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้น392ท้าวสท้าส ก, กะตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมคลานะ ข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงพระพาสิทธิ์ใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระพาสิทธิ์นั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วเรื่องเคยมีมาแล้ว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 ในครูตคาลหลังหนึ่งหลังหนึ่งมีนางอับสอนเจ็ดองนางอับรอนองหนึ่งองคหนึ่งมีเทพธิดาบัมเรเจ็ดองท่านพระมหาโมคลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันปราสาสหรือไม่ท่านพระมหาโมคลานะรับโดยดุษณีภาพ พระเถระใช้นิ้วเขย่าวเวชยันตประศาสตร์3ามครั้งนั้นเทา้าสกตะจอมเทพและท้าวเวชยันมหาราชนิมนท่านพระมหาโมคลานะให้ทําหน้าที่เข้าไปยังเวชยันตประศาสตร์พวกเทพธิดาผู้บำเรอของเท้าสักกะเห็นท่านพระมหาโมคลานะมาแตกไกลก็เกรงกลัวและอายอย จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะั้ยพอเห็นพ่อผัวและก็เกรงกลัวละอายอยู่เะนั้นจากนั้นเท้าสักกะจอมเทพและเท้าเวสวรณมหาราชเมื่อนิ ม, มนต์ให้ท่านพระมหาโมคคลานะเที่ยวเดินชมไปในเวชยันตร菩์ได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคคลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรม แห่งเวทยันตรประสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตรประสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคลานะกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท้าโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่า งามจริงๆดุดสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพฉั้นดาววดึงในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้มีความคิดว่าเท้าสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้เท้าสักกะนี้สังเวชจึงบรรดาลอิทธาพิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวชยันตประสาท เขย่าให้สั่นสะท้านวันไหวท่านใดนั้นเท้าส ก, กะจอมเทพเท้าเวสวรรณมหาราชและพวกเทพชั้นดาววดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวกันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิพิภพ เขย่าให้สันสถานวันไหวได้ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะทราบว่าเท้าสักกะจอมเทพทรงมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงทูลถามว่าเท้าโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัญหาโดยย่อยอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมาภาพก็จักขอมีส่วนเพื่อฟังกถานั้น ข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัญหา394้เาสท้าสักกะจึงตรัสว่าท่านพระมหาโมคลานะผู้นีร้ระทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงได้ยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อ ด, ด้วยข้อปฏิบัติ เพียงเท่าไรพิสษจจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัญหามีความสำเร็จสูงสุดมีความกเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีความที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งทำทั้งปวงรันรู้ยิ่งทำทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ทำทั้งปวงรันกำหนดรู้ทำทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึง่งสุขก็าตามทุกข์ก็ตาม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 ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดวันเมื่อไม่สะดุ้งหวาดวันย่อมดับกิเลสให้ระ ง, งับได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัญหามีความสําเร็จสูงสุดมีความกเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติประมาจันถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านพระมหาโมฆลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัญหาโดยย่อกแก่ข้าพระเจ้าอย่างนี้ ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะชื่นชมยินดีพาสิทธิ์ของเท้าสักกะแล้วอันทรันทานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ประสาทของมิคาลมาตาในบุพารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นพวกเทพทิดาผู้บำเรอเท้าสั ก, กะจอมเทพเมื่อท่านพระมหาโมคลานะ จากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามท้าวสกกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นี้รัทุกพระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของพระองค์หรือหนอท้าวสกกะตรัสตอบว่าเหล่าเทพธิดาผู้นี้รัทุกพระสมณะนั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเรา เป็นท่านพระมหาโมคลานะผู้เป็นเพื่อนโพรมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกข์เป็นลาบของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนโพรมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มาก มีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น395ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาตแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักดิามากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะเรารู้อยู่จะเล่าให้ฟังเท้าสักกะจอมเทพเข้ามาหาเราถวายอภิวาสแล้ว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 เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเท้าสักกะนั้นถามอย่างนี้แล้วเราตอบว่าจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สลัดแล้วอย่างนี้ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งทมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งทำทั้งปวงแล้ว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 กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความกเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพระมาจันถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุด เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมคลานะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตันหาโดยย่อแก่เท้าสักกะจอมเทพยอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิ์นี้แล้วท่านพระมหาโมคลานะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิสของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล จุลตันหาสังคยสูตรที่7จบ